พรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นคำสั่งคำสอนที่จะนำพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติไปสู่ความสุขที่แท้จริงตามลำดับที่จะพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ไปตามลำดับ จนไม่มีความทุกข์ที่จะเข้ามาสู่ใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้เลยเพราะทำคำสอนที่ส่งให้ศึกษาและปฏิบัตินี้เรียกว่ามรรคคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรส่งแบ่งไว้เป็นสามขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานขั้นที่สองเรียกว่าศีลขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาทานศีลภาวนาเป็น สิ่งที่ผู้ศึกษาจะศึกษาและปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาได้รู้ว่าทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรภาวนาเป็นอย่างไรก็นําเอาไปปฏิบัติต่อเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลตามลําดับเป็นขั้นๆไปอ การปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เราสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เหมือนกับรถยนตออ์รถยนต์เป็นพาหนะที่จะพาให้เราไปไหนมาไหนได้รถยนต์ก็มีส่วนประกอบเช่นมีล้อมีเครื่องยนต์มีพวงมลาลัยเวลาเราจะขับรถยนต์เราก็ ขับไปทางคันไปทังคันไปด้วยล้อไปด้วยเครื่องยนต์ไปด้วยพวงมาลัยฉันใดการปฏิบัติเพื่อการอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็เป็นเหมือนกับการขับขี่ยานยนต์ ยานยนต์ที่พระเจ้าให้แล้วเราขับก็คือทานศีลภาวนานี่เองเป็นยานยนต์ที่มีส่วนประกอบอยู่สามส่วนคือหนึ่งทาน 2, สองศีลสามภาวนาเราควรที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันพร้อมๆ ก, กันได้ แต่อาจจะไปแบบน้อยไปหามากเหมือนรถยนต์ที่เราหัดขับใหม่ๆเราก็ขับไปช้าๆก่อนพอเรามีความชำนิชำนาญเราก็ขับให้มันเร็วขึ้นไปตามลำดับได้เหตุนนทานศีลภาวนานี่ไม่ได้แยกกัน ไปพร้อมๆกันเหมือนรถยนต์ที่ไม่ได้แยกชิ้นส่วนไปทีละชิ้นล้อไปก่อนเครื่องยนต์ตามไปพวงมาลัยตามไปอันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็เป็นเหมือนกับการขับยานยนต์ไปทั้งคันทานศีลภาวนานี้เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ หรือพาหนะที่จะพาให้ผู้ขับไปสู่จุดหมายปลายทางได้เนีะนนเราควรที่จะทำทั้งสามส่วนไปพร้อมๆกันแต่แน่นอนเราคงจะไม่สามารถทำแบบเต็มร้อยได้เรายังเป็นมือใหม่หัดขับอยู่เราก็คงจะ ค่อ ย, ค, อยค่อยไปไปตามกำลังของเราเราสามารถทำได้มากน้อยเพียงไรเราก็ทำไปตามกำลังของเราแล้วการกระทำนี่แหละมันจะทำให้เราทำได้มากขึ้นไปเองยิ่งทำมากมันก็ยิ่งจะทำได้มากขึ้นเพราะความชำนี้ชำนานมันจะเกิดมากขึ้นและการเห็นคุณค่า เห็นผลจากการกระทานี้มันจะมีมากขึ้นจะทำให้เรามีความสุขใจมากขึ้นจะทำให้มีความทุกข์ใจน้อยลงเมื่อเราเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็จะมีศรัทธามากขึ้นมีวิริยะอุสาหะมากขึ้นมีความขยันหมั่นเพียร ที่จะทำทานมากขึ้นจะรักษาศีลมากขึ้นจะภาวนามากขึ้นไปเรื่อยๆพอยิ่งทำมากก็จะยิ่งเห็นผลมากเมื่อเห็นผลมากก็จะมีกำลังมากเนี่ยมันจะช่วยกันดันไปช่วยกันผลักไปแล้วก็ทานศีลภาวนาก็จะช่วยกันดันไปด้วย ทานจะทำจะดันให้เรารักษาศีลศีลจะดันให้เราไปภาวนาเหมือนเป็นการสนับสนุนกันเหมือนการขับรถยนต์นี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนต้องมีกุญแจรถเสียบกุญแจรถเข้าไปแล้วเราก็สตาร์ทรถ พอสตาร์ตรถเครื่องยนต์ก็ทํางานพอเครื่องยนต์ทํางานเราใส่เกียร์ล้อมันก็จะเคลื่อนไหวได้รถก็จะเคลื่อนไหวได้มันก็มีการสนับสนุนกันการทํางานของของรถยนต์มันก็มีขั้นของมันมันสนับสนุนกันชั้นใดการปฏิบัติ ก็เหมือนกันการปฏิบัติทานศีลภาวนามันก็จะสนับสนุนกันการต้นเราก็สตาร์ทรถด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมก่อนฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าเราจะขับรถคันนี้คือจิตใจของเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ไปสู่ความทุก ความสุขที่แท้จริงที่ถาวอ น, นั้นจะต้องทำอย่างไรพอเ ร, เราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่ า, าเราจะต้องทำทานาทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวน า, าเราก็เริ่มที่ทำทานก่อนเพราะทานมันง่ายกว่าศีลเหมือนเสียกุญแจรถยนต์ เข้าไปนี้มันง่ายกว่าอสตาร์ทรถยนต์เพียงเสียบก็ไปสตาร์ทรถยนต์นี่ต้องหมุนต้องขยับกุญแจเอรถยนต์สตาร์ทแล้วจะให้มันเคลื่อนก็ต้องใสเกลียบคันเร่งมันก็มีการกระทําที่ยากขึ้นไปตามลําดับการปฏิบัติทานศีลภาวนา ก็มีความยากง่ายตามลำดับของมันเช่นเดียวกันทำทานย่อมจะง่ายกว่าการรักษาศีลรักษาศีลจะง่ายกว่าการภาวนาแต่เราก็สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกันได้แต่อยูอย่ทีค่ความพยายามของเราขั้นต้นเราก็เอา สิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือการทำทานทำทานก็คือให้เราเสียสละข้าวของเงินทองหรือเวลาหรือประโยชน์สุขที่เราพอจะแบ่งให้แก่ผู้อื่นได้มีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากหรือมีมากแต่ยังเสียดายยังให้ได้ไม่มากก็ให้ไปเท่าที่อยากจะให้ไปก่อนก็ได้ พราะเมื่อได้ให้แล้วต่อไปมันจะเห็นคุณค่าของการให้ของการทําทานว่าจะทําให้มีความสุขใจดีกว่าความสุขใจที่ได้จากการไปได้สิ่งของต่างๆมาหรือได้ไปทําอะไรตามความอยากต่างๆจะเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้เงินก้อนเดียวกันกับการเอาไปซื้อของที่เราอยากได้ กับการที่เราเอาไปทาบุญทาทานเราจะเห็นความแตกต่างการใช้เงินก้อนเดียวกันแต่ผลจะต่างกันใช้เงินไปกับความอยากอยากได้อะไรซื้อมาก็ได้ความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่เป็นแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวเดียวก็จางหายไป แล้วความอิ่มก็ไม่มีความพอก็ไม่มีกลับมีแต่ความอยากความหิวที่อยากจะได้อะไรมาเพิ่มอีกถ้าเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปทําบุญทําทานจะเกิดความสุขที่หนักแน่นคือมีความอิ่มมีความสุขใจแล้วก็อยู่คู่กับใจได้นานกว่า ถึงแม้เคยทำบุญไปแล้วพอมาคิดถึงมันในวันหลังก็ยังมีความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดมีความหิวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปทำอะไรทำอะไรต่างๆเพราะเราไม่ได้ทำตามความอยาก ต่อไปเราก็จะไม่ต้องทำอะไรตามความอยากได้เห็นอะไรก็จะเฉยได้ถึงแม้วจะเคยชอบแต่ถ้าได้มาทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะอิ่มจะไม่หิวเห็นของที่เราเคยชอบแทนที่จะอยากซื้อเหมือนเมื่อก่อนก็เห็นแล้วก็เฉยเฉยจะซื้อก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นจริงๆมีเหตุผล เช่นของที่เรามีมันหมดหรือมันเสียใช้ไม่ได้ต้องมีของใหม่มาทดแทนอันนี้ก็จะซื้อของในลักษณะนั้นแต่จะไม่ได้ซื้อของตามความอยากเช่นของเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ถึงแม้จะเห็นของใหม่ออกมาก็เฉยเฉยเมื่อของเก่ายังใช้ได้เหมือนกับของใหม่ไปเสียเงินทำไม จะไม่มีความอยากที่จะซื้อของใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของตามความอยากเนี่ยมันจะอยากไปเรื่อยๆอยากจะซื้อไปเรื่อยๆพอเห็นอะไรใหม่ๆออกมาก็อยากได้ทั้งๆที่ของเก่ากับของใหม่ก็ไม่แตกต่างกันมากทาอะไรได้ นิดๆหน่อยๆเพิ่มขึ้นหรือมีรูปร่างรูปแบบที่สวยงามแตลกตาแปกตาขึ้นหน่อยก็อยากจะได้ขึ้นมาเท่านั้นเองนี่นี่คือการทำทานเป็นสิ่งที่เราสามารถทากันได้ถ้าเรารู้คุณค่าคุณประโยชน์ของการทำทานว่ามันมีคุณประโยชน์กับกจิตใจของเราอย่างไร มีมากมายตามที่ได้อธิบายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่านเองส่วนที่เราสามารถเห็นได้ทันทีจากการจากการจากการสัมผัสรับรู้ที่ใจเราว่ามันแตกต่างกันการใช้เงินก้อนเดียวกันใช้กับการทำบุญทำทานกับใช้กับความอยากนี่มันต่างกันคนละโลก นี่คือผลที่เกิดขึ้นที่เราเห็นได้คือความสุขใจอิ่มใจผลที่มีตามมาอีกที่เราไม่เห็นก็มีคือบุญที่เราทำนี้จะเป็นเหมือนสะเบียงจะเป็นเหมือนเงินที่เราจะเอาไปใช้ต่างประเทศเวลาเราไปเดินทางไปต่างประเทศนี่เราต้องไปเอาเปลี่ยนเงินตรา เราไม่เอาเงินบาทไปใช้ต่างประเทศเพราะใช้ไม่สะดวกใช้ยากบางทีจะใช้ไม่ได้เพราะถ้าไปอยู่ในประเทศอื่นเขาเห็นเงินเราเขาไม่รู้จะเอาไปใช้กับอะไรที่ไหนเราก็ต้องไปหาที่แรกงั้นเราก็แลกเสียก่อนที่นี่ดีกว่าก่อนที่เราจะไปเงินที่เราเอาไปใช้ทําบุญนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับไปเปลี่ยนเงิ น, เ, งนเป็นเงินทิป เงินที่เราเอาใช้อยู่ในขณะนี้เรียกว่าเงินบาทแต่ต่อไปเวลาเราจะต้องทิ้งร่างกายนี้ไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจเป็นกายทิพย์กายทิพย์ก็ต้องมีเงินทิพย์ติดตัวไปเวลาไปอยู่ในโลกทิพย์ในเวลาที่ร่างกายตายไปใจของเราก็จะกลับไปอยู่ในโลกทิพย์กายทิพย์ ตอนนี้ใจเรามาเที่ยวในโลกกระธาตมาม า, มาใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวในโลกนี้แต่ต่อไปร่างกายของเรานี้มันก็จะต้องตายไปพอมันตายไปใจก็ต้องกลับไปสู่ไปอยู่ในโลกทิพย์ต่อทางช่วงที่อยู่ในโลกทิพย์ถ้าไม่มีบุญก็จะอยู่แบบขอทาน อยู่แบบคนยากจนต้องไปขอบุญจากคนที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเราตอนนี้เวลาเราทำบุญเราก็จะแบ่งบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเราเป็นห่วงเขาเราสงสารเรากลัวว่าเขาจะอยู่แบบขอทานเราก็เลยทำเผื่อไปเพราะเราไม่มีตาทิพย์ที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้ผู้ที่ ล่วงลับไปแล้วเขาอยู่ในฐานะไหนเขาอยู่แบบเศรษฐีบุญหรือเขาอยู่แบบขอทานบุญเหรอดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเมื่อเรามีโอกาสที่จะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปได้เราก็ทํากันไปส่วนผู้ที่รับเขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่บุญที่เขามีหรือไม่มี ถ้าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำบุญอย่างสม่ำเสมอทำทานอย่างสม่ำเสมอเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญที่เราอุทิศไปอันนี้ก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับสุดที่เราไม่มองไม่เห็นกันอันนี้ต้องเชื่อคนที่เห็นคือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวก รับประกันได้ว่าพระพุทธเจ้ากับพระอริยาสาวกทุกองคในพูดเหมือนกันหมดเรื่องของอ น, นิสงส์ผลบุญนี่มีจริงตายแล้วไม่สูญเปล่าทำบุญแล้วไม่สูญเปล่าได้ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และได้ทั้งในขณะที่จากโลกนี้ไปสามารถเอาบุญติดตัวไปได้เอาเงินบาทไปไม่ได้ เอาเงินที่ฝากไว้ในธนาคารไปไม่ได้แต่เอาบุญไปได้ก็ดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งเล่าให้เราฟังสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเวชสันดรพระองค์ก็ทำบุญทำทานอย่างมากมายแล้วพอหลังพอพระเวชสันดรร่างกายของพระเวชสันดรตายไปใจของพระเวชสันดรที่เป็นกายที่ ก็ไปอยู่บนสวรรค์เพราะมีบุญพาไปสวรรค์ก็คือเหมือนกับที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี่แหละทําไมเราต้องไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันเพราะเรามีความสุขเราได้รับความสุขเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันฉันได้เวลาที่ร่างกายเราตายไปเราก็ไปต่างประเทศนี่เราจะไปแบบเศรษฐีหรือไปแบบขอทานะ ถ้าเรามีบุญทำบุญเราก็จะมีบุญติดตัวไปเราก็จะไปเป็นแบบเศรษฐีไปเที่ยวแบบเศรษฐีอยู่โรงแรมห้าดาวกินอาหารร้านอาหารห้าดาวท่องเที่ยวระดับห้าดาวทุกอย่างวีไพหมดเอเพราะมีกําลังทรัพย์ที่จะจ่ายเนี่ยพระเวจะสันดรพอตายไปกายทิพย์ของท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์เอ แล้วพอท่านมาได้ร่างกายอันใหม่คือได้ร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็กลับมารับผลบุญที่ได้ทำไว้อีกกลับมาเป็นเจ้าชายเป็นลูกของเศรษฐีลูกของกษัตริย์ด้วยอํานาจของบุญที่ได้ทำไว้ในขณะที่เป็นพระเวชสันดรบุญที่ทำไว้นี้เป็นเหมือนเงินเราที่เราฝากไว้ในธนาคารในโลกนี้ เดี๋ยวพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ให้มาอยู่ในโลกนี้ใหม่เราก็มาเบิกเงินได้ไปที่ธนาคารแล้วก็ไปเบิกเงินที่เราได้ฝากเอาไว้ทุกบาทที่เราได้ทําบุญทําทานเดี๋ยวชาติหน้าเราก็จะกลับมาเบิกถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานถ้าไปถึงนิพพานเราก็ไม่ต้องกลับมาเราก็ ไม่ไม่เสียดายเพราะว่านิพพานนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองที่เราได้ฝากไว้ในธนาคารแต่ถ้าเผื่อเรายังเป็นโสดาบันยังเป็นสกิทาคามีเราลองต้องเกิดตายไปก่อนเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะได้มาพึ่งเงินทองที่เราได้ มีเก็บเอาไว้อย่างนางวิสาขานี่ก็กลับมาเป็นเศรษฐีมาเกิดเป็นพระเป็นพระสดาบันใช่แล้วก็มีข้าวของเงินทองมากมายเพราะชาติก่อนๆเธอได้ทำบุญไว้มากบุญที่เธอได้ทำไว้ไม่ได้หายไปไหนพอมาเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเบิกใช้ได้ทันที นี่คืออานิสงของการที่เราได้ทำบุญทำทานกันในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่เราจากโลกนี้ไปและขณะที่เรากลับมาเกิดใหม่ได้ทั้งสามตอนตอนที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่ทำบุญด้วยความเมตตา จะมีความสุขนั้งในขณะที่ตื่นน่ขณะที่หลับนอนหลับก็ฝันไม่ฝันลายมีแต่ฝันดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษไม่มีใครเกียรตชังไม่มีใครคิดที่จะฆ่าเราด้วยมีดด้วยปืนด้วยอาวุธต่างๆ ไม่มีใครคิดที่จะรอบวางยาพิษเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเครียดแค้นกอดเกลียนเราทำแต่คุณทำแต่ประโยชน์แล้วเราจะมีจิตใจผ่องใสน่าเริงเบิกบานหน้าตาจะยิ้มำำยิ้มแจ่มใสถ้านั่งสมาธิจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายนี่คือประโยชน์ของการทำบุญทำทาน จะทำให้เราไปภาวนาได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานนั่งสมาธิจะสงบง่ายแล้วถ้าตายไปถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็จะไปสู่สุคติไปสู่พบที่ดีพบของมนุษย์พบของเทวดาพบของพรหมแต่ถ้าได้เข้าสู่พระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป นี่คือประโยชน์ของการทำทานทำทานทำบุญนี้ความหมายแปลว่าอันเดียวกันแต่ความจริงมันต่างกันคำว่าทำทานนี้เป็นการกระทำส่วนบุญนี้เป็นผลของการกระทำทำทานคือการให้ทำกับพระก็เรียกว่าทาน ทำกับคารวะญาติโยมก็เรียกว่าทานเพราะเป็นการให้เหมือนกันโยมมีเงินร้อยบาทเอามาถวายพระก็เป็นทานเอาไปให้โรงพยาบาลก็เป็นทานแล้วพอทาแล้วก็จะได้บุญเหมือนกันบุญคือความสุขใจอิ่มใจไม่ว่าจะทากับวัดหรือทากับโรงพยาบาลเหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน แต่จะได้ของแจกของแถมไม่เหมือนกันไปโรงพยาบาลหมอก็อาจจะมีหนังสือเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาร่างกายแจกเราเป็นของแถมมาวัดก็จะมีหนังสือธรรมะแจกให้เราไปอา่านเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของแถมจะไม่เหมือนกันแต่ของของของ ของที่เรียกว่าอาหารหรือความอิ่มใจสุขใจนี่เหมือนกันบุญเหมือนกันแต่ของแถมไม่เหมือนกันเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ำมันตาปั๊มต่างๆปั๊มแต่ละปั๊มก็มีของของแถมของแจกไม่เหมือนกันบางปั๊มก็แจกถ้วยบางปั๊มก็แจกผ้าบางปั๊มก็แจกสบู่นี่อยู่ที่ เราเราอยากจะได้อะไรเราก็ไปเลือกปั๊มเอาถ้าเราอยากจะได้สบู่เราก็ไปเติมใ้ปั๊มที่มันมีสบู่แจกถ้าเราไปอยากได้ผ้าเราก็ไปเติมน้ํามันที่ปั๊มที่แจกผ้าอันนี้ก็เหมือนกันแต่ปั๊มทุกปั๊มจะให้น้ํามันเหมือนกันให้น้ํามันสําหรับให้รถวิ่งไปไหนมาได้เหมือนกันทําบุญกับใครก็จะได้ความอิ่มใจ เหมือนกันได้บุญเหมือนกันแต่ของแถมไม่เหมือนกันของแถมอยู่ที่ว่าผู้ที่เขาที่เราไปทำบุญด้วยเขามีอะไรจะแถมให้เราอันนี้จึงจากถึงแตกกันต่างกันการทำบุญจึงมีสองลักษณะทำแบบไม่เลือกทำที่ไหนก็ได้แล้วทำแบบเลือก ทำแบบเลือกเพราะเราอยากจะได้ของแจกที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกแต่ถ้าเราไม่ต้องการรับของแจกเราก็ทำที่ไหนก็ได้ได้ได้บุญเหมือนกันเติมน้ามันก็เหมือนกันเติมปั๊มไหนก็ได้น้ำมันเหมือนกันแต่ของแจกไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่สนใจกับของแจกไม่รับของแจกเราจะเอาน้ำมันอย่างเดียวเราก็ตามเติมปั๊มไหนก็ได้ฉันไดการทาบุญกับ สถานที่ต่างๆกับบุคคลต่างๆก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้ความอิ่มใจสุขใจได้เงินทิพย์เหมือนกันตายไปเกิดในอยู่ในโลกทิพย์ก็มีเงินใช้ในโลกทิพย์เหมือนกันทากับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทากับวัดทำกับหมากับแมวทำกับนกกับปลาทำกับวัวกับควายเนี่ย ปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตวัวควายเลี้ยงหมงเลี้ยงหมาหมาจอนจัดมาสงสารมันก็เอามาเลี้ยงอันนี้ก็เป็นการทาทาบุญทำทานเหมือนกันได้บุญเหมือนกันแต่สิ่งที่ที่เราทำด้วยเขาจะให้แต่เราไม่เหมือนกันได้หมามันก็อาจจะมาเฝ้าบ้านให้เราเลี้ยงหมาแล้วตอบมันก็จะอยู่เฝ้าบ้าน ใครมามันก็จะคอยเหา่าคอยไล่เนี่อันนี้ไม่เหมือนกันนั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการของแถมชนิดไหนถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกคนที่มีธรรมะสอนข้าวจึงบอกว่าถ้าทำบุญกับพระธรรมดามีธรรมะน้อยก็ได้บุญหนึ่งเท่า ทำบุญกับพระอริยรสภาษุฎาบันมีพระมีธรรมะมากกว่าพราธะธรรมดาก็ได้สิบเท่าทำบุญกับพระสกิฎาคาที่มีธรรมะมากกว่าพระโสดาก็ได้ร้อยเท่าทำกับพระอานาคาก็มีความรู้มากมีธรรมะมากกว่าพระสกิฎาคาก็ได้พันเท่าทำกับพระอาหลานก็ได้หมื่นเท่า ทำกับพาาาระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าก็ได้แสนเท่าอันนี้ได้ไม่เท่ากันเพราะความรู้ของแต่ละองค์ไม่มีมไม่เท่ากันและกับความสามารถในการสั่งสอนก็ไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็นพาาาระอรหันต์เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นพาาาระอรหันต์พระสาวกก็เป็นพาาาระอรหันต์ แต่การสั่งสอนนี้ความสามารถไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าอาจจะพูดชัดเจนกว่าฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่ากับพระอาหารหันต์ที่อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่จะได้ธรรมะเหมือนกันจะได้การหลุดพ้นจะได้มรรคผล น, ผนิพพานตามกําลังของผู้สอนพระโสดาบันก็สอนได้แค่ระดับของพระโสดาบัน เหมือนอาจารย์ระดับปริญญาตรีก็สอนได้เพียงระดับปริญญาตรีจะไปสอนระดับปริญญาโทไม่ได้พระโสดาบันจะไปสอนระดับพระอระหันต์ไม่ได้ต้องให้พระอระหันต์เป็นคนสอนนี่คือทำไมเราจึงเลือกกันญาติโยมบางทีฟังแล้วไม่เข้าใจบางทีก็ฟังว่าทําบุญกับใครก็ได้บุญเหมือนกัน มันอีอครั้ง้ครั้งก็ฟังว่าทำบุญต้องเลือกนะจะได้บุญมากกว่าก็เลยงงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดความจริงถูกทั้งสองอันถ้าเราไม่ได้รับคาอธิบายเราก็จะงงที่ได้เหมือนกันก็คือบุญความอิ่มใจสุขใจทำกับใครได้เหมือนกันส่วนของแถมนี่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่คนที่เราไปทําบุญเนว้อเขามีอะไรจะแจกจะแถมเราถ้าไปทําบุญกับพระปุถุชนท่านก็จะมีวัตถุมงคลแจกใช่ไหมมีมีมีอะไรมีพระไว้ให้ห้อยคอเอมีเหรียญมีพระอะไรเพราะท่านท่านทําของเหล่านี้ท่านไม่มีธรรมะท่านก็เลยต้องเอาวัตถุมงคลมาแจกเอ บางที่ก็ไม่มีธรรมะของตนเองก็เอาพิมพ์หนังสือมาแจกเอาหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆมาแจกทีนี้ก็อยู่ที่ผู้ที่ไปทำบุญว่าอยากจะได้อะไรก็เขาก็จะเลือกไปกันทำไมถึงเลือกมาที่นี่ทำไมไม่ไปที่อื่นวัดใกล้ๆบ้านก็มีต้องเยอะแยะ ก็เพราะว่าไปที่นั่นไม่ได้ของที่เราอยากจะได้บุญได้เหมือนกันทำบุญใส่บาตรได้เหมือนกันใส่บาตรที่พัทยาก็ได้ใส่บาตรที่บ้านอาเภอก็ได้ใส่บาตรที่อุดรก็ได้ใส่ที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันทำไมต้องมาใส่ที่นี้เพราะต้องการของแจกของแจกมันไม่เหมือนกันก็เลยต้อง อ่นี่คือทำไมเราถึงต้องเลือกวัดเลือกพระเพราะเราได้ของแจกไม่เหมือนกันแต่ถ้าทำบุญอย่างเดียวนี้ได้เหมือนกันทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาให้กายให้เสียเวลานี่คือเรื่องของการทำบุญต่างๆที่มีคุณประโยชน์เป็นเป็นก้าวแรกของการที่เราจะขับเคลื่อนจิตใจของเราให้ไปสู่พระนิพพานให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ เราต้องเริ่มต้นที่ฐานก่อนเพราะมันง่ายนั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเหมือนกับการสตาร์ทรถยนต์เราต้องหากุญแจให้ได้ก่อนกุญแจหาได้กุญแจมาก็เสียบแล้วก็สตาร์ทรถที่พอสตาร์ทรถทีนเราก็ต้องเข้าเกียร์ล้วเหยียบคันเร่งปล่อยเบรคมันก็ยากขึ้น ขั้นที่สองมันจะยากกว่าขั้นที่หนึ่งทาทานแล้วขั้นที่สองก็ต้องมารักษาศีลนะะรักษาศีลท่านก็มีเริ่มต้นที่ห้าข้อแต่เวลาเริ่มต้นเราอาจจะเริ่มไม่ครบห้าข้อก็ได้อย่ารอให้ครบห้าข้อค่อยมารักษารักษาเท่าที่เรารักษาได้ในตอนนี้ก่อนข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้รักษาเลย ถ้าเรารักษาห้าข้อไม่ได้ก็เอาสี่ก่อนสี่ไม่ได้ก็เอาสามสามไม่ได้ก็เอาสองสองไม่ได้ก็เอาหนึ่งแต่ต้องเอาให้ได้สักข้อหนึ่งมาให้มันรู้ไปแต่ทํำไมเอาไม่ได้ถ้านเราไม่อยากจะเป็นหมาก็ไม่งั้นก็ต้องรักษาศีลให้ได้ถ้าไม่รักษาศีลเขาห้าข้อนี้ข้อใดมันก็เริ่มเป็นหมาแล้วมอ เดรัจฉานเขาไม่มีศีลไงหมาแมวนกอะไรสัตว์สี่เท้านี่เขาไม่มีศีลกันเขาไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกถ้ามีคนสอนมีคนบอกเขาก็จะรักษาได้หมาที่เรามาเลี้ยงนี่เราก็สอนมันได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็ตอนนี้เรามีคนสอนแล้วมีพระพุทธเจ้าสอนว่า ศีลนี้มีคุณมีประโยชน์มากนอกจากจะพาให้เราไปนิพพานเบื้องต้นก็จะปิดประตูบายให้กับเราแล้วถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี่ตายไปไม่ต้องไปไปเกิดในอบายอบายก็มีสี่เดลชาญเปตัสุลกายนรกผู้ที่ไปตกนรกก็เพราะทําบาปนี่ทาบาปถ้าไม่ทําบาปก็ไม่ไป ปิดประตูอบายได้นี่คือข้อที่สองที่เราต้องมาหัดทำกันก็คือรักษาศีลเพรรักษาศีลแล้วจะทำให้ใจเราทุกน้อยลงจะมีความสุขมากขึ้นคนที่ทำบาปแล้วจะไม่ค่อยสบายใจลองไปโกหกแฟนดูสิจะรู้สึกสบายใจไ้มไม่สบายใจหรอกไปกโมยเงินของคนอื่นมาแล้วสบายใจ ไม่สบายเอ่องั้นอย่าไปทำทำแล้วจะทำให้เราไม่สบายใจไม่ทำแล้วเราจะสบายใจแล้วเราจะกล้ า, าหาญไม่กลัวใครเจอหน้าใครก็ไม่ต้องคอยหลบนะถ้าทำอะไรผิดที่เจอหน้าเขามันทีไม่อยากจะเจอกลัวเขาจะรู้ <c oughs> เห็นสีหน้าเราเขาก็รู้แล้ไอ้นี่ไปทำ <c oughs> ไปทำอะไรมาแล้วมันเป็นเหมือนพวกบัวสันนลังหวะเนะ่ พอมีแผลแล้วนี่พออะไรไปไปไปแตะมันหน่อยนีย่มันสะดุ้งขึ้นมาละไปทำผิดกฎหมายนี่ตารวจเดินผ่านมาไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะไม่ได้มาจับเราหรอกแต่ใจเราวูบลงไปละเฮ้ยจะโดนจับแล้วหรือเปล่านี้เนี่ยคือความไม่สบายใจต่างๆก็จากการที่เราทำบาปกันงั้นอย่าทำบาปได้ไม่คุ้มเสีย แต่เมื่อเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้ได้เงินได้อะไรแต่มันโทษมันมันมันร้ายกว่าบุญอประโยชน์มันมันน้อยกว่าโทษสู้อย่าเอาดีกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเอาโทษเข้ามาถ้าทําผิดกฎหมายยังไม่ตายก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางก่อนแล้วตายไปก็ยังต้องไปใช้ไปติดคุกนาบายต่ออีก แล้วการรักษาศีลมันจะทําให้เรามีเวลามาภาวนาเข้าใจไหมถ้าไม่รักษาศีลทําบาปมันก็จะไม่มีเวลามาภาวนาคอยจะไปทําบาปคอยไปลักขโมยคอยไปหยิกนกตกปลาไปทําอะไรต่างๆแล้วดีไม่ดีก็ไปมีปัญหาต้องไปแก้ถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตารางะ ไปโกงเขาก็เดี๋ยวก็ถูกเขาฟ้องร้องขึ้นลงศาลกันไม่มีเวลาจิตใจวุ่นวายไม่มีกระจิตกระจายจะมานั่งพุทโธพุทโธพุทโธะถ้าไปทําบาปต่างๆฉะนั้นต้องหัดรักษาศีลให้ได้เอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็แล้วเอาแบบจริงๆจังๆไม่ใช่แบบว่าเอาแค่วันเออาทิตย์หนึ่งเอาวันเดียววันพระเออีกหกวันไม่เอาอะไรเลยะ แล้วบางทีวันพักก็เอาแค่ขอศีลก่อนนอนพอก่อนจะก่อนจะนอนก็สมาทานศีลก่อนอย่างนี้สบายรักษาแบบนี้สบายกี่ข้อก็รักษาได้เพราะเวลานอนหลับไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาศีลการรักษาศีลต้องรักษาตอนที่เราตื่นถ้าตอนที่หลับนี้ไม่ไม่ได้รักษาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการรักษาศีลถึงจะไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ได้เป็นการรักษาศีลไม่มีประโยชน์อะไรรักษาศีลแบบนั้นต้องรักษาตอนที่เราเตืน่นแล้วจะทำให้ใจเราเย็นลงมีความสุขมากขึ้นสบายใจมากขึ้นจะทำให้เราสามารถรักษาศีลเพิ่มได้เพราะถ้าการอยากจะภาวนากันจริงๆต้องมีเวลามากๆ การจะมีเวลามากๆได้ก็ต้องหยุดกิจกรรมอื่นๆก็ต้องมาถือศีลแปดหยุดกิจกรรมหาความสุขทางร่างกายกันไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินเลี้ยงอาหารข้ามอาหารเย็นกันไม่ไปแต่งเนื้อแต่งกายแต่งตัวไม่นอนพูกหนาๆนอนนานๆไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนนี่คือศีลคอบศีลแปด ถ้าอยากจะมีเวลาภาวนาเป็นกออเป็นกรรมถ้ายังไม่อยากจะภาวนาระดับนั้นศีลห้าก็พอตอนเย็นก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปเตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปทำอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปอันนี้ก็เป็นการฝึกขัดเริ่มต้นไปก่อนก็ได้ ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปรักษาศีลแปดไปอยู่วัดเนี่ยผู้ที่รักษาศีลแปดก็จะปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนเอคือในวันพระตอนต้นถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะไปทําศีลแปดเราก็เอาศีลห้าก่อนอยู่ที่บ้านทําที่บ้านไปก่อนก็ได้นั่งสมาธิที่บ้านเอไปก่อนอื พอเรานั่งได้แล้วเริ่มเห็นคุณประโยชน์ของการนั่งสมาธิก็อยากจะนั่งเพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็อาจจะต้องรอวันพระรอวันที่เราว่างที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็ไปหาที่สงบไปหาวัดที่มีการปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่ที่วัดนั้นจะมีการชวนการไหวพ้พระสวดมนต์นั่งฟังเทศฟังธรรม นั่งสมาธิกันไปก็จะทำได้มากขึ้นเพราะหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะว่างเพราะเราไม่กินอาหารเย็นเราก็ไม่ต้องมากังวลมารอเรื่องกินอาหารเย็นเราไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ทำกิจกรรมอะไรเราก็มีเวลาว่างอยู่ที่วัดเราก็สามารถนั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญสติได้เลยหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว จนถึงเวลานอนสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยก็จะมีเวลาปฏิบัติได้มากกว่าการถือศีลห้าแต่เบื้องต้นเราอาจจะต้องเริ่มที่ศีลห้าก่อนลองหัดนั่งวันละครั้งสองครั้งก่อนก่อนนอนหรือหรือเวลาไหนที่เหมาะสมเราคิดว่าสะดวกก็นั่งได้หัดทำไปก่อน พอทำไปแล้วก็จะเริ่มสัมผัสกับผลที่เราได้การทำจะเห็นว่านั่งเฉยๆมันก็มีความสุขนะมีความสุขมากกว่าการไปทำอะไรดูอะไรไปฟังอะไรดูฟังอะไรแล้วเดี๋ยวก็ตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวหวาดกลัวขึ้นมาบางทีเดี๋ยวนอนไม่หลับจากการไปดูอะไรก็ได้สู้มานั่งเฉยยหลับตาทำใจให้สงบดีกว่า พอเริ่มเห็นผลที่นี้ก็อยากจะนั่งมากขึ้นก็จะเพิ่มเวลาจะหาเวลาต่อไปก็อาจจะไปอยู่วัดได้นานขึ้นตอนต้นก็เอาอาทิตย์ละวันก่อนต่อไปก็อาจจะลดการทำงานลงให้มันน้อยลงงานอย่างอื่นก็ทำให้มันน้อยลงเพราะถ้าเราไม่ไปซื้อของตามความอยากการที่จะต้องมีเงินมากก็จะไม่มี ว่าเราไม่ได้ใช้ของตามควาซื้อของตามความอยากไม่ได้ใช้เงินตามความอยากใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็ไม่มากปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค <c oughs> พอดูแลอัตภาพร่างกายไปได้เงินทองไม่ต้องใช้มากก็ไม่ต้องหามากก็อาจจะลดการทำงานน้อยลงลดการหาเงินหาเท่าน้อยลง ก็จะมีเวลามาปฏิบัติมากขึ้นเองนี่คือการปฏิบัติตามลำดับตามขั้นไปต้องไม่ใช่อยู่พูดพลาดก็จะไปบวชไปบวชเลยไปอยู่วัดถือศีลแปดเลยทั้งทั้งที่ยังไม่เคยถือศีลมาก่อนยังไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อน มันจะทําไม่ได้ทําแล้วมันจะทรมานมันจะไม่มีความสุขจากการทำํำถ้าไม่มีความสุขก็อย่าไปทําเพราะมันจะไม่อยากทําแล้วมันจะไม่กล้าทําต่อไปเรื่อเราต้องไปทําตอนที่มันทําแล้วมีความสุขะถ้ายังไม่มีความสุ ข, สขก็แสดงว่าเรายังมีกําลังไม่มากพอเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนทําในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไป กลับมาลองทำทานก่อนถ้าไม่เคยทำบุญทำทานเลยก็ลองมาทำบุญทำทานก่อนทำแล้วก็เห็นว่ามีความสุขต่อไปก็รักษาศีลดูก่อนรักษาแ ล, แล้วเห็นว่ามีความสุขก็เพิ่มจากศีนจากศีลหนึ่งเป็นศีลสองเป็นศีลห้าศีนแปดไปตามลาดับรักษาเพิ่มเมื่อไปเรื่อยๆ แล้วก็ลองนั่งสมาธิดูนั่งแล้วรู้สึกสบายขึ้นก็นั่งให้นานขึ้นมากขึ้นนั่งให้บ่อยขึ้นอย่าไปฝืนมันมากถ้าฝืนมากแล้วมันจะท้อแล้วมันจะไม่เอามันก็ไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าทำพอกำลังหรือฝืนก็ฝืนนิดหน่อยฝืนพอเท่าที่จะฝืนได้เพราะถ้าไม่ฝืนมันก็จะไม่ก้าวหน้าเช่นถ้านั่งได้ห้านาทีพอถึงห้านาทีมันก็อยากจะลุก ถ้าอยากจะได้นั่งนานก็บางทีต้องฝืนอบังคับมัน อ, อ่อยสักสองนาทีนะอ้านาทีเป็นสักเจ็ดนาทีพุทโทต่อไปอสักสองนาทีว่าดูซิว่ามันจะตายหรือเปล่าแค่พุทธโทเพิ่มอีกสองนาทีอ่าต้องต้องฝืนมันบ้างแต่อย่าฝืนเกินกําลังฝืนพอที่เราจะฝืนได้นี่คือขั้นตอนของการที่เราจะปฏิบัติเพื่อที่จะพาให้จิตใจ เราไปสู่การหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นแต่เมื่อสเมื่อเมื่อปฏิบัติไปมันก็จะมีรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มขึ้นวิธีนั่งสมาธินั่งยังไงถึงจะสงบนั่งยังไงถึงไม่สงบวิธีจะสงบก็ต้องมีสติที่จะทำยังไงให้มีสติ อันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มขึ้นล่ะตอนต้นก็เพียงแต่ให้รู้ว่าต้องทำอะไรเป็นหลักก็ต้องทำทานรักษาศีลภาวนาทีนี้พอไปถึงขั้นศีลก็ต้องรู้ว่าศีลมีกี่ข้อห้าข้อแปดข้อสิบข้ อ, ส, ขอสองร้อยยิบเจ็ดข้อเหมาะกับใครบ้างใคร เดี๋ยวเราไปซื้อศีลสองรอยิบเจ็ดมันก็ไม่เหมาะกับเราถ้าเราไม่ได้เป็นพระเนี <c> ้ <oughs> เราก็ต้องซื้อศีลที่เหมาะกับเราเหมือนเสื้อผ้าเป็นเครื่องแบบไม่เหมือนกันเราก็ต้องใส่ตามเหมาะสมกับเราอันนี้เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องคอยติดคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยถ้าเราไม่รู้หรือฟังธรรมแล้วยังไม่ได้ความรู้ที่เราต้องการอาจจะต้องไปค้นหาเอาเอง เดี๋ยวนี้ค้นหาง่ายในโทรศัพท์มือถือนี่ค้นได้อยากจะรู้สินแปดสินห้าสินสิบนี่ใส่เข้าไปเหมือนตะเกียงวิเศษสมัยนี้เรามีตะเกียงวิเศษอยู่ในมืออยากจะรู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือมันบอกเราเองใส่เข้าไปสินห้ามีอะไรบ้างสินแปดมีอะไรบ้าง าบางทีฟังเทศพระบางทีไม่ได้อธิบายละเอียดเพราะเรื่องมันมากหรืออาจจะอธิบายแต่ละเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากรู้เรื่องที่เราอยากรู้ท่านไม่ได้อธิบายเราก็ต้องไปค้นคว้าหา เ, าเองบ้างต้องหาความรู้การการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องต้องรู้ก่อนว่าปฏิบัติอย่างไรก็ต้องศึกษาค้นคว้ า, าการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่อาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการจะรู้เมื่อไม่ตรงเราก็ต้องค้นหาเองสมัยนี้เราโชคดีสามารถค้นหาได้สมัยก่อนนี้ต้องรอไปวัดกันไปฟังเทศกันแล้วก็ถ้าเทศตรงกับที่เราอยากจะรู้ก็ดีไปถ้าเทศไม่ตรงบางทีก็ต้องขอหาเวลาไปไปคุยไปถามาพระว่าอยากจะรู้ว่าไอ้นี่เป็นอะไรไม่เข้าใจ ก็ยังสามารถที่ค้นคว้าหาได้แต่มันยากกว่าสมัยนี้สมัยนี้หาได้ง่ายกว่าฉังนั้นการปฏิบัตินี้จะต้องมีการศึกษาควบคู่กันไปไม่แยกกันไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวศึกษามันจบพระตไตรปิฎกแล้วค่อยมาปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่วิธีไม่ใช่วิธีศึกษาปฏิบัติต้องศึกษาพร้อมๆกับการปฏิบัติควบคู่กันไป ศึกษาเรื่องทานก่อนรู้ว่าการทำทานทำอย่างไรทำกับใครจะได้อะไรอย่างไรออก็เลือกทำเอาตาม ท, าที่เราต้องการ <c oughs> รักษาศีลรักษาอย่างไรมีกี่ข้ อ, อ, อก็ต้องศึกษาศึกษาแล้วก็นาเอาไปรักษาเลยไม่ใช่รู้เฉยๆแต่ก็ยังไม่รักษารู้ว่าทำบุญทำทานแล้วได้อะไรก็ยังไม่ทำอย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆออแล้วเดี๋ยวมันจะลืมศึกษาแล้วถ้าไม่ทามันจะลืม อย่าถ้าศึกษาแล้วทาควบคู่ไปด้วยมันจะไม่ดื้อมันจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นมันจะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเลยนั้นอย่าศึกษาอย่างเดียวอย่าปฏิบัติอย่างเดียวมันต้องไปควบคู่กันเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวานี่เราต้องใช้ทั้งสองเท้าถ้ามีเท้าเดียวมันก็ต้องกระโดดไปต้องมีขาเทียมมาช่วย งานการศึกษากับการปฏิบัตินี้มันไม่ได้แยกกันเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ทางศาสนาท่านแยกศึกษากับปฏิบัติบวชแล้วเรียนให้จบป ร, ริญญาเก้าก่อนแล้วค่อยไปออกไปค่อยไปปฏิบัติส่วนใหญ่พอมันจบป ร, ริญญาเก้าแล้วมันก็ติดมันไม่ไปไม่ออกมันไม่ไปปฏิบัติเหตุนั้นต้องศึกษาปฏิบัติควบคู่กันไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่สอนทั้งสองอย่าง สอนให้ศึกษาสอนวิธีปฏิบัติแล้วก็ให้ปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างทางสายวัดป่านี่แหละท่านสอนแบบพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลนั่นก็สอนอย่างนี้ถ้าไม่แยกปริญัตออกจากปฏิบัติแต่ไม่ได้ตั้งโรงเรียนให้สําหรับเรียนอย่างเดียวท่านเป็นวัดที่มีทั้งการเรียนมีทั้งการปฏิบัติควบคู่กันไป สอนให้ภาวนาก็ภาวนากันไปสอนให้เจริญสติก็เจริญกันไปนะไม่ใช่สอนแล้วก็ให้อามาท่องจำเฉยๆเสร็จแล้วก็มาสอบสอบความจำไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาให้เอาไปสอบด้วยการปฏิบัติสอบดูว่าทาแล้วจะได้ผลไหมใจสงบไหมมีความสุขไหมอันนี้ต่างหากคือการสอบไม่ใช่มาท่องจำชื่อธรรมะต่างๆ เช่นวันนี้จําได้หรือเปล่าที่พูดนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้สอบเดี๋ยวจะให้ข้อสอบมาสอบอันนี้ไม่ได้ถึงแม้จะสอบได้ก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเพียงจะรู้ว่าจําได้เท่านั้นเอง <c oughs> ยังต้องเอาไปปฏิบัติยังต้องเอาไปทําต่อต้องเอาไปทําทานต้องเอาไปรักษาศีลเอศีลห้าศีลแปดตามกําลังแล้วก็ไปฝึกภาวนาก่อนจะภาวนาก็ต้องฝึกสติก่อน ถ้าไม่มีสตินั่งแล้วมันจะไม่สงบนั่งแล้วมันจะคิดฟุง้งซ่านแล้วก็ไม่เห็นผลแล้วก็จะก็จะไม่อยากจะนั่งนั้นก่อนจะนั่งเราก็ต้องมีสติก่อนต้องควบคุมใจให้ได้ก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนต้องหยุดความคิดให้ได้ถึงแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์ก็ต้องหยุดเป็นได้บ้างพอให้มันนิ่งบ้างแล้วเวลานั่งมันก็จะสงบมันก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นมา แต่ถ้าควบคุมไม่ได้เลยนั่งแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่เห็นผลมันก็จะไม่มีกำลังใจที่อยากจะนั่งเนี่นี่ก็คือเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านสอนว่ามันไปควบคู่กันหมดนะถ้าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันสามตัวนี้มันไปพร้อมกันศึกษาเพื่อให้ได้รู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็จะเกิดปฏิเวทคือผลคําว่าปฏิเวทก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติจิตใจก็จะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงจิตใจก็จะ จเจริญขึ้นสูงขึ้นจากมนุษย์ก็เป็นเทพจากเทพก็เป็นพรมจากพรมก็เป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาพระสกิฎาคาพระอนาคาพาาาระอรหันเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับจากการที่เราศึกษาและปฏิบัติไปตามขั้นตามลําดับของการปฏิบัติ เหมือนกับที่เราไปโรงเรียนเราก็ไปเรียนที่ชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็พอจบอนุบาลเราก็ขึ้นประถมจบประถมก็ขึ้นมัธยมจบมัธยมก็เข้าอุดมศึกษาไปเรียนปริญญาเดี๋ยวก็ได้เป็น ญ, ญาตีแล้วก็ตอบโทแล้วเดี๋ยวก็ต่อเอกอันนี้ก็แบบเดียวกันการศึกษาทางศาสนาก็แบบเดียวกันศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติการปฏิบัติก็เป็นการทดสอบ ความรู้ที่เราได้เรียนมาว่าเรารู้จริงหรือไม่ถ้ารู้จริงเราก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้จริงปฏิบัติถูกต้องเราก็จะได้ผลเกิดได้บรรลุ <c oughs> ผลจากการปฏิบัติ จ, จิตใจะจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆเนี่ย การเป็นเทพก็เกิดจากการทำบุญทำทานรักษาศีลห้านี่แหละถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลห้าจิตของเราก็จ ะ, จะเจริญจากมนุษย์แล้วตอนนี้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเทวดาแล้วก็ได้ถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลห้าได้ถ้านั่งสมาธิได้ก็จะไปเป็นพรหมนะ้วถ้ามีปัญญามีวิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมก็จะเป็นพระอริยเจ้า เห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกเกิดจากสมุทัยคือตัณหาความอยากทุกจะดับก็เกิดจากมรรคคือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองอันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นพระอริยเจ้าถ้าเข้าขั้นสู่พระอริยเจ้าแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ก็จะเกิดน้อยลงพระโสดาก็จะเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งพระสกิดาคามีก็ครั้งเดียวในโลกของมนุษย์ของเทวดาถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปเกิดที่พร ม, มโลกถ้าเป็นพระอาหารก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปไปอยู่พระนิพพานแทน นี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราศึกษาพระธรรมคําสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนอย่างเขร่งครัดอย่างจริงจังนี่การปฏิบัตินี้ไม่เป็นของเล่นนะอย่าไปคิดว่าเป็นของเล่นอย่าไปคิดว่าเป็นงานอดิเรกอันนี้เป็นงานเป็นเป็นงานท่เป็นงานอะไรเป็นงานที่จริงจังเป็นงานที่ ต้องเอาเป็นเอาตายกันไม่ใช่เอาแบบเล่นเล่นถ้าเอาเป็นเอาถาเาเล่นเล่นมันจะไม่ได้ผลกิเลสมันชอบเล่นเล่นมันไม่ชอบเอาเป็นเอาตายกันแต่ถ้าเราอยากจะเอาผลนี่เราต้องเอาแบบเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายกับกิเลสเนี่ยแล้วเราก็ต้องถวายชีวิตด้วยถึงจะถึงจะฆ่ากิเลสได้ ถ้ากลัวตายก็สู้กิเลสไม่ได้เอครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายนะถ้าไม่ยอมตายนี้ไปไม่ถึงนิพพานเนี่ยเราต้องถ้าจะปฏิบัติจริงๆแล้วนะมันต้องยอมตายมันต้องเวลามันเข้าสู่ขั้นปัญญาเนี่ยมันต้องยอมตายแต่ขั้นต้นนี้ยังไม่ต้องยอมก็ได้ขอยอมเสียเงินก่อนก็แล้วกันยอมรักษาศีลก่อนก็แล้วกัน แต่ขั้นปัญญานี่บางทีบางทีต้องยอมตายมันถึงจะฆ่ากิเลสได้กิเลสที่กลัวตายนี้มันจะตายได้ก็ต่อเมื่อเรายอมตายถ้าเรายอมตายเมื่อไหร่กิเลสคือความกลัวตายจะหายไปอันนั้นต้องเข้าสู่ขั้นปัญญาแต่ขั้นเบื้องต้นนี้ยังไม่ต้องถึงกับยอมตายหรอกขอยอมเสียทรัพย์ก่อนก็แล้วกันอย่าโงทรัพย์ตายไปก็เอาไปไม่ได้ เอาไปทำบุญดีกว่าเราจะได้ไปนิพพานต่อไปได้นี่คือสิ่งที่พวกเราเข้าหาวัดกันมาครับของแถมกันก็คือธรรมะที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้เราได้ไปสู่ความสุขที่ถาวรไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิทีิตังปัที่ตังตุมหังคิปะเมวะสมิตจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนาหาราโสยทธามณิโชติอาราโสยทธาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรม อาวัตถนติอายุวันโอสุขังภาลัง <c oughs> วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ผู้ติดตามทางบ้านนะที่นี่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา421 YouTube 150วิทยุออนไลน์44 รับฟังอยู่ข้างบนนี้เจ็ดสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบสองครับมันนี้มากเลยข้างบนเขาก็เยอะบางวันก็สิบคนยี่สิบคนไม่แน่นอนบนเขาถ้าเสาร์อาทิตย์ก็แปดสิบเก้าสิบร้อยกว่าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครฟังแล้วยังสงสัย โ้ย อ, อยากจะรู้เรื่องที่ไม่ได้ฟังก็ถามได้นะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาแล้วจะมีผู้ที่จะอ่านคำถามให้ถ้ายังไม่มีก็จะให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านที่ส่งคำถามเข้ามาอ่านคำถามของทางบ้านก่อนครับคำถามจากทาง facebook คุณอู๋กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะลูกไม่สามารถ คิดถึงข้อดีของสิ่งที่เราชังกราบพระอาจารย์ช่วยสอนยกตัวอย่างให้ด้วยค่ะ เ, เราชังอะไระบอกมาสาิมันต้องบอกก่อนที่เราชังอะไรล้วก็ของทุกอย่างมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในอยู่ในตัวมันนั่นแหละเช่นคนคนเราจะไม่ดีไปทุกอย่างเลยเลยมันก็ต้องมีส่วนที่ดีเราก็คิดถึงส่วนที่ดีของเขาเ หรือถ้าเราคนไม่พบเราก็อย่าไปคิดถึงส่วนที่ไม่ดีของเขาก็แล้วกัน เ, เวลามันจะคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีก็ใช้พุทธโธพุทธโธหยุดมันไปพุทธโธพุทธโธพุทโธถ้าเรานึกถึงความดีของเขาไม่ได้ อ, อ, อันนี้ทุกอย่างมันมีความดีความไม่ดีถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปค้นหาดูค้นคว้าดูหรือถามคนที่เขารู้ถ้าอยากจะรู้ว่า อะไรก็ลองบอกสินี่บอกไม่ได้บอกว่าชังกับเรื่องอะไรกับใครมันก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดถึงอะไรดีแต่ของบางอย่างชังก็ดีนะชังเชนชังเงินเนี่ยไม่ชอบกันเนี่ยดีจะได้ไม่ต้องดิ้นหาให้เหนื่อยอใช่ไม่ชอบแฟนก็ดีเนี่ย ไม่ชอบแฟนเบื่อแฟนนี่ก็ดีอยู่คนเดียวดีกว่าของชังบางอย่างมันก็ดีเนหะ็นไหมของดีบางอย่างมันกลับไม่ดีพอจะชอบแล้วมันก็ทําให้เราวุ่นวายใจชอบคนนั้นชอบคนนี้แล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจแลนะเดี๋ยวถ้าเขาไม่ชอบเราก็เสียใจอกีกแต่นี่ก็ <c oughs> ถามต่อไปคำถามจากคุณยานิกากราบเรียนพระอาจารย์ตอนนี้เครียดจากการทำงานมากอยากนั่งสมาธิแต่ไม่สามารถทำได้เลยค่ะหัวคิดแต่เรื่องงานเป็นห่วงแต่เรื่องงานขอให้พระอาจารย์ช่วยชีเนะด้วยค่ะก็พักงานสิถ้ามันเครียดกับเรื่องงานก็ขอพักงานขอลาป่วยสักวันสองวัน ไปอยู่ที่ห่างไกลจากเรื่องงานถ้าอยู่ใกล้มันก็ทียจะอดคิดถึงมันไม่ได้ก็ต้องลางานบ้างลาป่วยบ้างพอลาป่วยแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปทําสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ไปศึกษาวิธีทํางานแบบไม่เครียดการทํางานนี้ทําแบบเครียดก็ได้ทําแบบไม่เครียดก็ได้การทําแบบเครียดก็คือทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นทําด้วยความอยาก ทำแล้วจะต้องได้อย่างที่ใจอยากได้ถ้าไม่ได้มันก็จะเครียดขึ้นมาต่อไปต้องหัดเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไปสั่งมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เสมอไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ยันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับการงานมากจนเกินไปทำเท่าที่เราทำได้ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น ให้พอใจกับผลที่เราได้จากงานที่เราทําได้มากบ้างได้น้อยบ้างเหมือนกับการขายของขายประกันวันนี้ไปขายอาจจะขายไดลายสองลายพวกนี้อาจจะไดสิบลายมาลือนี้อาจจะไม่ได้เลยสักลายนึงก็ต้องทําใจว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีมากมีน้อยมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับเราจะไปสั่งให้มัน ขึ้นอย่างเดียวไม่ดับไม่ได้สั่งให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้ได้อย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวบางทีก็ต้องเสียบ้าง น, นี่คือต้องหัดสอนใจใหม่ปรับทัศนคติคติของตนต่อการงานของที่เรากําลังทําอยู่แล้วต่อไปรับรองได้ว่าจะไม่เครียดทําแบบเต็มที่คืองานทําเต็มที่แต่ผลจะได้เท่าไหร่นี้เราไม่สามารถไปกําหนด ให้มันตายตัวได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วเราก็จะไม่เครียดอีกวิธีนึงที่ทำให้เราไม่เครียดก็คือใช้เงินให้น้อยหน่อยที่เราต้องทำให้มากแล้วต้องได้ตามที่เราอยากเพราะเราต้องการได้เงินมากๆ า, ากมันก็เลยทำให้เราเครียดเวลาเงินไม่พอใช้นหัดใช้น้อยๆเราจะไม่เครียด คำถามจากคุณเชอเบลกราบเรียนถามพระอาจารย์การเล่าเรื่องผู้อื่นในทางที่เขาทำไม่ดีนินทาเป็นการผิดศีลไหมคะก็ถ้าเป็นพูดแบบลักษณะเพราะเจอไม่มีเหตุมีผลก็ก็ไม่ควรพูดนะแต่พูดเพราะมีมีเหตุต้องให้พูดเช่นต้องรายงาน แล้วเรามีถูกบังคับให้รายงานว่าคนนี้เป็นอย่างไร เ, เราก็ต้องรายงานไปตามข้อเท็จจริงของเขาเขาดีส่วนดีก็ต้องรายงานส่วนไม่ดีก็รายงานอย่าไปเลือกเอาแต่ส่วนที่ไม่ดีรายงานเพื่อที่จะทำให้เขาเสียหายส่วนที่ดีก็ไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมย่างถ้าเราจะพูดถึงเรื่องใครก็ควรที่จะพูดให้มันครบทั้งสองด้าน ด้านที่ดีก็ต้องพูดด้านที่ไม่ดีก็ต้องพูดถึง เ, เรียกว่ายุติธรรม <c oughs> แต่ถ้าพูดเพื่อให้เขาเสียหายนี่แสดงว่าเรามีอคติแล้วเรามีความชังเรามีความเกลียดเราต้องการให้เขาเสียหายอย่างนี้ก็ไม่ดีเป็นกิเลสคำถามจากคุณสมเกยียรติกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับในกรณีที่เราทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและบรรพบุรุษได้รับท่านจะทราบไหมครับว่าได้มาจากไหนครับได้รับก็ทราบสิเพราะท่านก็จะมารอเราอยู่นั่นแหละเหมือนขอทานังไม่รู้ว่าได้รับจากใครรู้ส่วนใหญ่ก็จะมาขอจากคนที่รู้จักกันอย่างในในเรื่องที่เกิดขึ้นในพุทธการที่มีพระเจ้าแผ่นดิน มีลูกน้องเก่ามาส่งเสียงโวกเวกโวยวายเป็นดวงวิญญาณมาพระเจ้าแผ่นเดินก็ไม่รู้ใครเป็นอะไรก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครมิเป็นอะไรพระเจ้าบอกเป็นเสียงของลูกน้องเก่าอมาขอส่วนบุญเอให้ท่านช่วยอุทิศบุญให้เขาเรู้พอ การอุทิบุญจริงๆนี่มันจะต้องมีคนขอแล้วก็วกถึงจะให้แต่ถ้าพวกเราให้แบบไม่มีคนขอมันเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขามาขอหรือเปล่ามันก็ไม่รู้เรื่องกันอย่า น, นแต่ถ้าเขามาขอเช่นเขาเข้าฝันเราเนี่ยเรานอนหลับแล้วเราก็ฝันถึงเขาฝันถึงคนตายอันนี้ก็อาจจะมาขอเราละอย่างนั้นถ้าเราทำบุญส่งไปให้เขาเขาก็จะรู้ แต่คําฝันของเรานี่ก็ไม่แน่บางทีก็อาจเราคิดไปเองก็ได้เราคิดถึงเขาแล้วก็ฝันถึงเขาก็ได้หรือว่าเขามาเข้าฝันจริงๆก็ได้เอป็นได้สองอย่างแต่เป็นอย่างใดก็เมื่อเขาขวัญถ้าฝันถึงเขาแล้วก็ควรแล้วควรที่จะทําบุญอุทิศไปให้เขา<ๆ>เผื่อไว้เผื่อถ้าเขามาจริงๆเขาก็จะได้เขาก็จะรู้ว่าเขามาขอส่วนบุญจากเรารับบุญจากเราไปต้องรู้เนี่ย <c oughs> คำถามจากคุณชุติมากราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะภาวนาไปได้สักพักหนึ่งมีอาการปวดขาในใจคิดว่าร่างกายไม่ได้เป็นเราความเจ็บก็ไม่ใช่อยู่กับลมหายใจกับพุทโธก็มีความอดทนได้ระดับหนึ่งหากทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนานๆบ่อยๆ จิตย่อมสงบลงได้หรือไม่เจ้าคะ่ะได้ถ้าเราถ้าเราไม่ไปสนใจกับความเจ็บไปมันเจ็บไปให้เราอยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปต่อไปเราก็จะผ่านความเจ็บได้จิตก็จะสงบลงลึกเข้าไปเหตุที่ส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบที่ลึกได้ก็เพราะเราผ่านความเจ็บไม่ได้ถ้าเราผ่านความเจ็บได้จิตมันจะลงลึกกว่าเด้ ปกติงั้นเวลาเจอความเจ็บอย่าถอยอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้คำถามจากคุณมานะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอริยเจ้าที่ปรารถนาพุทธภูมิต่างกับพระโพธิสัตว์อย่างไรครับ อ, อ๋าไม่มีหรอกพระอริยเจ้าท่านไม่ป่าถนาพุทธภูมิหรอกพระอริยเจ้านี้ท่านป่าธนานิพพานอย่างเดียวแล้วก็ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระโสดาบันเห็นท่านไม่ต้องไปปราถนาพุทธภูมิคําว่าพุทธภูมิหรือโพธิสัตว์นี่มันสําหรับผู้ที่เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสอนไม่มีใครนําทางก็เลยต้องออตั้งจิตอธิษฐานว่าจะ ขอไปนิพพานด้วยตนเองเพราะไม่มีใครพาไม่มีใครสอนก็เลยต้องพึ่งตนเองก็เลยต้องคํำทางไปลองผิดลองถูกไปสร้างบา ร, รมีต่างๆไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็เป็นโพธิสัตว์เพราะไม่มีใครสอนท่านมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าปัญญาเป็นอย่างไร ก็เลยต้องค้นคว้าหาเอาเองจนในที่สุดก็ค้นพบอริยสัจสี่คน้นครบไตรลักษณ์นี่อันนี้ต้องค้นหาเอาเ อ, าเองนี่คือโพธิสัตว์เพราะไม่มีใครสอนแต่พวกเรานี้ไม่ต้องไม่ต้องไปค้นหาเองให้เหนื่อยมีคนมาสอนแเรอแต่ถ้าอยากจะไปเรียนเองค้นเองก็ไม่มีใครว่าอะไร ถ้าอยากจะทำเองก็ไม่มีใครห้ามอยากจะเป็นโพธิสัตว์ก็อาจจะต้องรอไปอีกหลายกัปถ้าไปตามคำสอนของพระเจ้าก็ไม่เกินเจ็ดชาติหรือไม่เกินเจ็ดปีถ้าปฏิบัติตามได้เจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้หรือเจ็ดปีก็ได้ก็เลือกเอาโพธิสัตว์ก็นานหน่อยเจ็ดกัปถ้าถ้าเป็นสาวกก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่อย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติ หรือถ้าปฏิบัติดีชาตินี้ก็ได้ภายในเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วแต่ความเข้มข้นของการปฏิบัติเนีตาน่างกันแค่นี้เองแต่ปริญญาที่ได้รับเหมือนกันนิพพานที่ได้เหมือนกันนิพพานได้โดยโดยการเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือนิพพานที่ได้โดยเป็นพระอาหารหันต์โดยเรียนรู้จากพระพุทธเจ้านิพพานอันเดียวกัน คือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกันไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสเหมือนกันงนั้นก็เลือกเอาจะเอาแบบแบบสั้นก็ได้เอาแบบยาวก็ได้เอาแบบทางลัดก็ได้หรือเอาแบบทางอ้อมก็ได้ถ้าทางอ้อมก็แบบแบบแบบพระโพธิสัตว์ไปเริ่มต้นที่อ ที่ทานบารมีก่อนช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปช่วยเหลือตนเองไม่ต้องไปภาวนาชาตินี้ไม่ต้องไปภาวนาเอาแค่ทานก่อนใครอยากให้การช่วยเหลือช่วยเหลือเลยใครต้องการอะไรให้เลยเแบบพระเวสันโดนเนี่ยโพธิสัตว์เนี่ยเอาอย่างเดียวเอาแค่ทานก่อนอย่างอื่นยังไม่เอาเสียเก็บไว้ก่อนในคำ ม, มาเก็บไว้ก่อน อุเบกขาเก็บไว้ก่อนปัญญาเก็บไว้ก่อนตอนนี้ขอเอาแต่ทานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีอย่างเดียวอันนี้ก็อีกเจ็ดกลับนู่นน่ะแต่ถ้าเอาแบบเอาแบบจะเอาแบบปัจจุบันเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีก็นี่แหละไปภาวนาแล้วไปบวชเลย ทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงทิ้งใครทั้งหมดใครเคยช่วยเหลือก็ช่างหัวมันนะหัดช่วยตัวเองมั่งตอนนี้กูขอช่วยตัวกูก่อนหลวงปู่มั่นก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะหลวงปู่มั่นคอยช่วยเหลือคนอื่นจนถึงอายุหกสิบเนี่ยหกสิบยังไม่บรรลุเนะ น, นี่ยตอนในที่สุดไม่ไหวแล้วคอยช่วยคนอื่นเลยห น, นีไปอยู่เชียงใหม่คนเดียวอะไปปีกเวเวกทุดงเชียงใหม่ช่วงอายุหกสิบถนะึงเจ็ดสิบเนี่ยท่านไปบรรลุที่เชียงใหม่นะ เพราะท่านเปลี่ยนจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิยุติการช่วยเหลือคนอื่นมาช่วยเหลือตอนเองดีกว่าเพราะมัวแต่ช่วยคนอื่นตัวเองก็เลยไม่ได้ช่วยตัวเองนที่สุดก็เลยไม่หลุดนในที่สุดก็เลยต้องหนีไปอยู่คนเดียวป้าอนนท์ก็ติดอยู่ตั้งยี่สิบห้าปีคอยรับใช้พระพุทธเจ้าแต่รับใช้แบบมีประโยชน์เพราะรับใช้แล้วได้ฟังธรรมทุกตันที่พระเจ้าแสดงไว้ พอพระทเจ้านิพพานก็ไม่มีภาระต้องทำแล้วก็ไปไปปีกวิเวกไปภาวนาได้พอภาวนาจริงๆสามเดือนก็บรรลุได้ <Yeah. S 1> นี่คือความแตกต่างระหว่างพุทธภูมิกับสาวกภูมิคำถามจากคุณโมโมในช่วงเวลาปกติใจจะสงบนิ่งสบายสบาย แต่เวลานั่งสมาธิมักจะเผลอหลับไปบ้างแต่พอรู้ตัวก็จะสงบนิ่งได้ต่อไปค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าเราทำสมาธิในช่วงเวลาปกติหมายถึงในทุกอริยบทจะดีกว่าไหมคะเพราะทำได้สบายๆทั้งวันทำไปได้เรื่อยๆค่ะแต่มันไม่มันไม่รวมมันไม่นิ่ง มันก็ทําให้สบายใจได้ระดับหนึ่งแต่มันจะให้สงบมากไปกว่านนั้นนิ่งมากกว่านั้นมีความสุขมากกว่านั้นเป็นทําไม่ได้ต้องมานั่งเฉยๆถึงจะได้ความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าใช้ในเอรยาบทต่างๆก็ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตนี้ต้องนั่งหลับตา ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นไปก่อนเพราะเวลานั่งแล้วมันจะเคลิมได้ง่ายกว่าเพราะจิตจะเริ่มสงบมันจะเคลิมสติมันจะหายเราต้องพยายามฝึกสติให้มากถ้ามีสติมีกำลังมากมันจะไม่เคลิมมันจะไม่หายแล้วมันจะรวมเป็นหนึ่งได้มันจะนิ่งสงบเต็มเต็มร้อยได้คำถามจากคุณสุภฤกกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ มีตำนานบอกไว้ว่าหลังปีพุทธศักราช 2,500 จะมีแค่พระสกิทาคามีเท่านั้นไม่มีพระอรหันต์แล้วจริงหรือไม่ครับก็ดูสิเนี่ยมีกระดูกเป็นพระธาตุกันเยอะแยะอยู่ตอนนี้การมีกระดูกเป็นพระธาตุก็แสดงว่ายังมีพระอรหันต์อยู่นะไม่จริงหรอกตำนานไม่รู้อยู่ที่ไหน รับรองได้ว่าไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะหรือตํานานว่าถ้าบรรลุปเป็นพาาระอรหันต์แล้วยังไม่ได้บวชจะตายในเจ็ดวันก็ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเชื่อกันมาเองคิดกันขึ้นมาเองแล้วก็มาเผยแพร่สั่งสอนกันเองเอคํา <ำ S 1> <คำ S 2> ถามหมดแล้วนะอเดี๋ยวารอคําถามพักเดียวเดือมน้ำปัน้นใครอยากจะถามก็ถามได้นะ คำถามจากคุณยุย้ยกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมสวดมนต์เสร็จหลังจากนั้นมาเดินจงกรมต่อในขณะที่เดินจงกรมภาวนาพุทโธอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกจิตเกิดไปเห็นขาของตัวเองเป็นกระดูกเดินได้ทันทีที่จิตเห็นนั้นเกิดความสถานตั้งแต่เท้าจนถึง จนถึงหัวเห็นจิตมันเสียใจหลังจากนั้นโยมเลยหยุดเดินโยมอยากเรียนถามว่าโยมไม่รู้จะทำอย่างไรต่ออยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าคะ่ะก็ใช้เหตุผลเสิยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดไม่นรู้สึกเสียใจหรือเดือดร้อนเลยพอมาเห็นปุ๊บเดียวขึ้นมาก็เกิดอาการเสียใจขึ้นมาก็มันอยู่กับเรามาตลอดไม่เห็นจะต้องไปเสียใจกับมันดีใจไปกับมัน ใช่กระดูกมีอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาตอนนี้ไม่เห็นรู้สึกดีใจเสียใจเลยพอไปเดินจงกรมเห็นกระดูกขึ้นมาหน่อยกลับไปเสียใจขึ้นมาเป็นบ้าหรือเปล่าใช่ไหมใช้ปัญญาสิใช้เหตุผลสิทำไมต้องไปเสียใจกับมันด้วยอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดไม่เสียใจพอมาเดินจงกรมพอเห็นมันขึ้นมากลับไปเสียใจ ก็เท่านั้นเองใช่ไหอก็เห็นดีจะได้รู้ว่าเนี่ยร่างกายของคนเรามันมีโครงกระดูกอยู่ด้วยนะมันไม่ใช่เป็นนายนายแบบนางงามอย่างที่เราคิดนะ อ, อหัดคิดถึงโครงกระดูกของนายแบบนางแงบบนางงามมั่งมันจะได้หายหลงหลายข้างใครกันไม่ใช่อะไรหรอกที่เห็นโครงกระดูกนี้เพื่อจะได้ตัดการาอารมณ์ คำถามจากคุณ practice ธรมมะนะครับเขาจะขออนุญาตพระอาจารย์เล่าถึงการปฏิบัตินะครับเพื่อให้ชี้แนะครับยาเล่าเลยมันยาวครับมีคำถามอะไรก็ถามมันดีกว่าครับเขาก็จะขออนุญาตส่งมาทางไลน์นะครับก็ส่งมาได้แต่ไม่อ่านนะถ้าจะถามก็ถามเลยอยากจะถามอะไรก็ถามเลยที่นี้ไม่รับนายงานผล ที่นี่เป็นที่ถามตอบครับคำถามจากคุณปราณีกราบถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิตัวรู้หมายถึงอะไรเจ้าคะก็ตัวรู้ก็คือตัวรู้ไงตอนนี้เรารู้อะไรอยู่ว่าเปล่าเรารู้กำลังฟังอะไรเรารู้เปล่าเรากำลังฟังอะไรก็ตัวรู้นั่นแหละที่เป็นตัวรู้ก็อยู่ในใจเราเราเรียกตัวรู้นี้ว่าใจ ใจมันนอกจากเป็นตัวรู้แล้วมันก็เป็นตัวคิดด้วยแล้วก็เป็นตัวรู้สึกด้วยเนี่ยใจเราเนี่ยทาสามอย่างรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันรู้ใครพูดอะไรใครด่ามันนี่มันรู้เใครชมก็รู้เนี่ยนี่คือใจก็คือตัวรู้แต่เรามองไม่เห็นตัวรู้กันเพราะส่วนใหญ่ตัวคิดมันจะมาบังไว้เรามักจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เลยอยู่กับความคิดมากอยู่กับตัวรู้ แต่เรารู้ถ้าไม่มีตัวรู้เราจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเราจะไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรตัวรู้นี้มันเป็นตัวที่รู้ถ้าไม่มีตัวรู้ก็จะไม่มีไม่ไม่รู้อะไรเลยเหมือนตอนหลับนี่เหมือนกับไม่รู้ตอนนั้นมันหลับมันไม่รู้แต่มันก็รู้รู้เรื่องที่บรนฝันที่มันคิดแต่มันไม่รู้รู้ชัดเหมือนกับตอนที่เราตื่นตอนที่เราตื่นมันมีสติรับรู้ให้ชัดกว่า เนั้นตัวรู้ก็คือตัวเรานี่แหละตัวรู้ตัวคิดตัวรู้สึกเนี่ยเป็นตัวเราไม่ไม่ใช่ร่างกายคนละตัวกันร่างกายไม่มีตัวรู้ตัวคิดตัวรู้สึกตัวคิดตัวรู้ตัวรู้สึกนี่มาเกาะกับร่างกายไว้แล้วก็มารับสิ่งต่างๆที่ร่างกายมารับทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งไปให้ตัวรู้รับรู้อีกทีหนึ่งคําถามจากคุณนก ถือศีลแปดทุกวันพระพยายามระมัดระวังไม่ให้ผิดตามข้อศีลปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะก็ได้ก็ถือศีลมันก็ต้องรักษาไม่ให้มันผิดถ้าผิดมันก็มันก็ไม่ได้รักษาแต่การถือศีลอย่างเดียวไม่ควรไม่ไม่ไม่พอควรจะภาวนาไปด้วยเพราะการถือศีล น, นี่ก็เพื่อให้เราได้มีเวลาภาวนา มันเป็นของเหมือนกับเป็นของที่มาคู่กันถือศินแปลแล้วก็ต้องภาวนาเอไม่ได้ถือศินแปลแล้วก็ไปขายข้าวขายของไปทําการค้าขายเหมือนเดิมอันนี้ก็ทําได้แต่มันไม่อมันจะยากด้วยเพราะว่าเมื่อไปทําการค้าขายไปทําธุรกิจมันเดี๋ยวก็ผิดสินได้ง่าย ถึงต้องมาถือศีลห้ากันเวลาไปทำงานทำการแ้ถ่ถือศีลแปดนี้เพื่อต้องการที่จะมีเวลามาภาวนามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาทำใจให้สงบคำถามจากคุณธงกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีคำทำนายของครูอาจารย์ว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพและทั่วโลก ในปี 2,563 ถึง 2,564 จะเกิดขึ้นหรือไม่ครับขอบพระคุณครับก็รอให้มันเกิดสิรอถึงปีนั้นก่อนผมเราจะไปรู้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกแสดงไว้ในการเรามาสตรเคยฟังไหมก็ว่าใครก็พูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อฟังหูไว้หูเราไปพิสูจน์ดูก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงอตอนนี้ก็ต้องรอปีนั้ น, นถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริง ก็อย่าไปเชื่ออย่าไปปฏิเสธถ้าคิดว่าจะเกิดก็เตรียมตัวไว้เตรียมหาเรือไว้เตรียมอะไรไว้พอน้ำท่วมมีเรือก็มันก็หมดปัญหาแล้วมีเรือถ้กอย่างไปกลัวอะไรน้าท่วมมันไม่มีวันเยึดเทียท่วมเรือได้หรอกนะก็เตรียมซื้อเรือไวส้สิถ้าคิดว่ามันจะท่วมคำถามจากคุณสุภฤกกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ตอนนี้มีแนวการฝึกปฏิบัติแบบใหม่ที่ฝึกให้เห็นความว่างชั่วขณะแล้วครั้งต่อต่อไปให้ระลึกถึงจิตที่ว่างชั่วขณะที่เคยได้นั้น เ, ออเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับมันเป็นของปลอมไงเหมือนของของที่มัน เรานึกถึงมันเป็นสัญญามันเป็นอดีตมันไม่ใช่เป็นของจริงมันจะไม่เหมือนจริงมันไม่เหมือนกับกินข้าวอิ่มแล้ววันนี้เมื่อวานนี้กินข้าวอิ่มแล้ววันนี้ก็มานั่งนึกถึงความอิม่มเมื่อวานอนี้ดิ <laughs> มันจะอิ่มไหมไม่อิ่มหรอกมันต้องกินใหม่เข้าใจไหมอ่ทําจิตให้สงบได้ยังไงก็ครั้งต่อไปอยากจะสงบก็ต้องทําใหม่อะมันก็จะสงบเป็นของจริงขึ้นมาแต่ถ้ามานั่งจํามันก็เป็นของปลอมเข้าใจไหม เหมือนกินข้าวเมื่อวานนี้กินอิมนะ่มแล้ววันนี้ไม่ต้องกินก็ได้ไหมขี้เกียจกินก็นึกถึงความอิ่มของเมื่อวานนี้แล้วก็จะอิมนะ่มไหมมันไม่อิ่มแล้วของง่ายๆนี่ไม่ถูกเขาหลอกกัน <c oughs> คำถามจากคุณพันทิศกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการนั่งสมาธิตอนแรกก็พุทโธนานไปก็ไม่พุทโธค่ะ กลับนิ่งอยู่เฉยๆฟังพระท่านเทศอยู่ถามว่าแบบนี้เรายังอยู่ในสมาธิไหมคะหรือเราต้องพุโทโธตลอดพุดโทโธก็ได้ฟังเทศก็ได้แทนกันได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่าใช้สองอย่างเดี๋ยวมันจะชนกันถ้าจะฟังเทศก็ฟังไปอย่างเดียวไม่ต้องพุโทโธถ้าจะพุโทโธก็ไม่ต้องฟังเทศจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะชนกันแล้วมันจะทาให้วุ่นวายได้ งั้นถ้าจะฟังเทศก็ฟังไปอถ้าจะพุโทโธก็พุโทโธไปได้มันจะทําให้ใจว่างใจเย็นใจสงบได้เหมือนกันครับจากคุณคนเมื่อกี้ครับส่งคําถามเข้ามาครับเรื่องการปฏิบัติว่าถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกจิตจํา น, นยอมรับการพิจารณาที่ทําอยู่น่าจะถูกต้องและนําไปสู่การละวางได้ถาวรได้จริงหรือไม่คะก็ทําดูเลย ก็ถูกต้องแล้ว แ, วแต่ชี้จะทำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่เราจะสู้กิเลสไว้ไหมบางทีเราก็เห็นแล้วแต่ก็ยังเสียดายอะไรเอาวออยู่ก็ <c oughs> อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ปัญญาของเราว่าจะจะแหลมคมกวากิเลสได้ไหมครับต่อนะครับคือพอเพียรทำไปเรื่อยๆจิตมันมีความเข้าใจทำจากตัวมันอย่างลึกซึ้งขึ้นและลึกๆ เกิดความเชื่อมั่นว่าการพิจารณาแบบนี้จะนำเราไปสู่ความละวางได้จริงใช่ก็ก็ดูสิเมื่อก็ต้องพิสูจน์เนี่ยจะคิดยังไงก็ยังสู้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเนี่ยความคิดก็ยังเป็นเหมือนสิบปากว่าอยู่ก็ต้องปล่อยให้ได้ปล่อยได้แล้วมันก็จะรู้เองว่าปล่อยได้แล้วไม่ยึดไม่ติดแล้วคำถามจากคุณสมสุกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้ า, า่ะ ขอโอกาสถามว่าจิตกับใจตัวเดียวกันหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ต่างกันยังไงเจ้าคะตัวเดียวกันเนี่ยแต่เป็นเหมือนหน้ากับหลังคนคนเดียวกันมีหน้ามีหลังเอจิตกับใจบางทีก็แบ่งหน้าที่กันจิตเป็นผู้รู้อใจเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้คิดอย่างเงี้ยมันก็สลับมันแต่บางทีก็ใช้ปนกันไปปนกันมา ฉะนนเราก็ต้องรู้เวลาที่เราพูดนี้เรากำลังหมายถึงอะไรก็หมายถึงตัวนี้ตัวที่ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยคือจิตใจที่รู้ที่คิดที่มีความรู้สึกเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าจิตบางทีก็เรียกว่าใจใช้แทนกันได้ภาษามันก็เลยเอวนกันอย่าไปอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องหมายถึงตัวนี้อย่างเดียวหมายถึงอย่างนี้อย่างเดียวมันมีหลายความหมายจิตในสติปัฏฐานก็มีความหมายหนึ่ง ในสติปัฏฐานท่านหมายถึงอารมณ์ในจิตไม่ใช่ตัวจิตเนี่ยตัวจิต ม, มันมันมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันเป็นตัวรู้รู้ของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีวันดับแต่อารมณ์ภายในจิตยังมีการเกิดการดับอยู่ยังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตอยู่ในสติปัฏฐานท่านให้พิจารณาจิตความหมายก็คือให้พิจารณาอาการที่มีอยู่ในจิตแต่ตัวจิตเองนี้ไม่ต้องพิจารณาแล้วมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันเสื่อม มันไม่มีวันดับมันเถอแต่ตัวที่อยู่ในจิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ต่างๆบางวันจิตผ่องใสบางวันจิตเศร้าหมองบางวันจิตดีใจบางวันจิตเสียใจเนี่ยอันนี้คืออารมณ์ที่มีอยู่ในจิตให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงควบคุมบังคับมันไม่ได้อให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางมันอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันผ่องใสไปตลอด เพราะถ้าเกิดมันไม่ผ่องใสมันจะทำให้เราทุกข์ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องรู้ทันมันแล้วก็ยอมให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันคำถามมด้<า> ฉะนั้นคำว่าจิตใจโดยรวมก็คือตัวที่ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยคือตัวจิตใจตัวที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตัวที่ทําบุญทํากรรมเนี่ยคือตัวจิตตัวใจตัวที่รับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยทางที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือตัวจิตตัวใจแล้วก็สั่งให้ร่างกายทําไปตามที่รับรู้เห็นรูปสวยอยากได้ก็สั่งให้ร่างกายไปเอามาเห็นรูปไม่สวยก็สั่งให้ร่างกายเอาไปทิ้งใช่ไหม เห็นเดินไปเห็นขยะก็สั่งให้ร่างกายหยิบพวกเศษขยะเอาไปทิ้งในถังขยะถ้าเดินไปเจอเพชรเจอทองก็สั่งให้ร่างกายหยิบมาเก็บไว้ใช้ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นตัวจิตตัวใจเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคำสั่ง <Yeah. S 1> มีมีข้ามาอมยู่ไหมไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ <Yeah. S 1> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง